ส่งกันบ้านจริงๆกลับเรียนหลวงพ่อค่ะก็คือก็ดูใจดูกายตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่มีสภาวะอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะใจวันนี้ใจมันไม่ค่อยตั้งมั่นหรือออกไห ม, มดูยังไม่ค่อยออกค่ะรู้สึกซึมๆใจมันฟุงฟ้งๆไป แล้วทำยังไงดีคหลวงพ่อมันก็ ย, ยังไม่รู้ตัวเองฟุ้งนะคะคือเวลาโมหะเกิดเนี่ยโมหะนะหน้าที่ของมันคือปิดบังไม่ให้เราเห็นสภาวธรรมเพนั้นเวลาโมหะเกิดนี่ดูยากดูยากถ้ามันซึมมากหรือมันฟุ้งมากเนี่ยตระกูลโมหะหรือสงสัยเนี่ยตระกูลโมหะมีวิธีหนึ่งถ้ามัน มันฟุ้งไปนะหรือมันซึมอย่างนี้บริกรรมไ้ก็ได้หันพุทโธพุทโธพุทโธล้วก็กระตุน้นความรู้สึกของตัวเองให้มันคึกคักหน่อยจงใจทำนิดหนึ่งช่วยมันนิดหนึ่งไม่งั้นแล้วก็ตัวข้างในนี้ซึมซึมไปนะข้างนอกนี้ก็สายสายสายสายมันไม่รู้มันสายคี่เหลวงพ่อที่เป็นเรื่องยากก็คือไม่รู้มันสายค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่อยหัดดูเนี่ยไปแล้วเห็นไหยมันส่ออกไปแล้วดูออกไหมคือว่าออวันนี้เป็นกลางแล้วก็จิตใจตั้งมั่นมากกว่าเมื่อวานค่ะแล้วก็เห็นสภาวะชัดเจนขึ้นล้วค่ะจิตใจมีความสุขไหมมีความสุขค่ะแต่ว่ามันมีโมหะอยู่ด้วยนะมันมีโมหะไม่มีความสุขด้วย <laughs> บางทีมีโมหะแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยมีความสุขก็มีนะขี้เจ็ดขี้คล้านไปเลยแล้วก็สบายอรย่างเงี้ยใครดูนะแอคทีฟไว้เชา้ชาเช้าโมหะมันเยอะเชา้ชาเชา้าเป็นเวลาหากินของโมหะกลางวันนะเป็นเวลาหากินของโทสะค่ำค่ำเป็นเวลาหากินของราคะ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยค่นะ หลงภาพฝึกตัวเองนะแต่ก่อนเนี้ยพอตื่นขึ้นมาแล้วมันมีโมหะไม่เหมือนกันนะสมัย20กว่าปีก่อนองนี้เอาใหม่ทดลองฝึกตัวเองกลางคืนเนี่ยกินน้ําเยอะๆเลยนะแล้วตื่นบ่อยมาเข้าห้องน้ํามาฉี่ตื่นขึ้นมาแล้วยัง ง, ง่ว ง, งเงยงวงเงยนะจะไม่นอนต่อแล้จะนั่งดูไม่เดินด้วยนะถ้าเดินเดี๋ยวมันหายง่ายจะนั่งดูไป ตั้งอกตั้งใจไว้เลยถ้าจิตใจยังไม่สว่างสวัยขึ้นมานะไม่นอนต่อนี่ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยวันแรกนะแทบตายเลยพอวันที่สองเนะี่ยพอมันนั่งมันสองสามวันไม่ใช่วันที่สองสองสามวันถัดมาพอตื่นขึ้นมานะมันรีบสว่างเลยมันกลัวเราจะภาวนาทั้งคืนนะ <laughs> หลังจากนั้นนะพอตื่นแล้วจะสว่างวับเลยไม่มีไม่มีซึม ต้องใจแข็งแข็งใจแข็งแข็งเข้มแข็งไว้รู้จักข่มใจตัวเองบ้างรู้จักเชียร์ตัวเองบ้างบางครั้งจิตใจมันขนองนะก็ต้องดูมันเหมือนกันบางครั้งจิตใจมันพ่อแป้ยอ่อนแอนนะก็ต้องรู้จักให้กําลังใจมันเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ดูลูกเดียวนะจิตใจเราเหมือนเด็กนะเราจัดการกับเด็กคนนี้นะเวลาส่วนใหญ่ที่เราจัดการกับเขาคือให้โอกาสเขาเรียนรู้ไป ไม่ใช่เข้าไปโดมิเนตจิตใจเราก็เหมือนกันเราให้โอกาสมันเรียนรู้ไปตามรู้ตามดูมันไปนะเหมือนเด็กปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปให้มันทำงานให้มันสนไปเราก็คอยชำเลืองดูไประยะระยะนี่จัดการอย่างเงี้ยแต่ตอนไหนมันชักจะแย่มากแล้วนะก็ต้องดุเหมือนกันบางช่วงก็ต้องให้กำลังใจมันเห็นไหมจัดการกรับจิตอย่างเี้ยไม่ใช่ดุลูกเดียวหรือไม่ใช่ตามใจลูกเดียว แล้วก็ไม่ใช่คอยจ้องไม่ให้คลาดสายตาไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้เคลื่อนไหวห้ามเด็กไม่ให้เคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็พิการอย่างเงี้ยหรือมันเคลื่อนไหวแล้วไม่เคยสนใจเลยปล่อยมันปล่อยปล่าละเลยมันจะตะเลิดเป็นทางเสียหายจิตนี่เหมือนเด็กเลยนะจิตเฉนั้นหน้าที่เราเป็นผู้ใหญ่ให้การเรียนรู้กับเด็กแต่ส่วนมากเรารู้ไม่ทันเด็กเด็กตัวนี้ฉลาดนะ <c oughs> เราจะหลอกล่ออะไร ม, มันรู้ก่อนเราอีก เังนั้นการภาวนาเนี่ยนอกจากเรารู้หลักแล้วคือตัวศาสตร์ของการปฏิบัตินะเรารู้ว่าเราต้องรู้สภาวธรรมนะที่ถูกต้องนะคือรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันด้วยจิต ท, ที่เป็นกลางนี่รู้หลักแล้วเป็นศาสตร์เวลาปฏิบัติ จ, จริงก็ต้องมีศิลปะช่วงนี้จะต้องปรับอย่างนีนะ้เร่งหน่อยช่วงนี้ชักเฉยแล้วต้องเร่งจิตใจตัวเองให้มันคึกคักหน่อยกระตุ้นมันหน่อย กระตุ้นแบบไหนจะพอดีกระตุ้นแรงไปเดี๋ยวเตลิดเปิดเปล่งอีกบางคนจิตใจมันซึมไปซึมเศร้าให้ออกไปกระทบกับโลกกระทบมากไปเสียอีกแล้วมันเป็นศิละปะนะเครื่องมือที่ช่วยเราได้ดีที่สุดเลยคือความช่างสังเกตวิญญาณอโิโสมนัสิการของเรานี่คอยสังเกตว่าตอนนี้จิตใจเรามันเป็นยังไงอะไรมากไปอะไรน้อยไปนะถ้ามันรู้สึกพอดีพอดีแล้วก็ตามรู้ตามดูอย่าเข้าไปแทรกแสง แต่ไม่ปล่อยปลาละเลยไม่ใช่ไม่รู้ไม่ดูต้องฝึกอย่างนี้มันเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เ <c oughs> นใจมันวักแว๊กวักแว๊ ก, วกไปเรื่อยรู้สึกไหมเออมันฟุ้งอะ่ะฟุ้งมันลืมตัวเองไปไปหนีวักแป๊บแป๊บ <c oughs> ได้ลองดูไปแต่อย่าให้เสือนะนะนั่งดูลมไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะเช็คกันบ้าน จุนสังเกตดูตอนที่กลางคืนนะคะมีความรู้สึกว่าพอเขานอนคือคล้ายๆจิตเขาพักพอแล้วเนี่ยความคิดมาแล้วมันจะยุ่งเหยิงมากเลยเ<อ>ยิง่งแล้วมันมีความรู้สึกกลางคืนมันยาวนานมากเลยยิ่งฝันยุ่งไปกันใหญ่เลยมันนอนเกินค่ะแล้วก็แบบแต่ว่าคือช่วงนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันเหมือนจิตไม่มีกำลังพอที่จะดูต่อด้วย ไม่มีแต่พ่าพอลุกขึ้นมาพอแบบอ่ะพอพอผุ้โทรุู้โทรถี่ขึ้นมาก็เหมือนจิตมีกําลังขึ้นมาได้เห็นสภาวะนิดๆนิน้อยๆก็คือพอหลับลงไปได้โดยที่ความคิดมันไม่กวนต่ออะค่ะความคิดกับความฝันมันเป็นอันเดียวกันค่ะแต่มันใช้จิตคนละดวงคิดคนละดวงอะคนละชนิดกันสังเกตไหมตอนฝันเนี่ยไม่ค่อยปฏิประต่อมันเป็นจิตจูนนึกถึงจิตตอนที่กําลังจะลงผวังได้ไหม ที่ขึ้นมารับอารมณ์แช่ๆแล้วเบลอลงไปมันใช้จิตดวงนั้นนะจิตดวงที่เบลอๆตัวนั้นะไปฝันไปคิดเป็นความว่าตรงเบลอนั้นคือมันจะยาวไม่ใช้่มันไปเกิดอยู่ข้างในเกิดอยู่แต่แค่ตรงนั้นน่ะค่ะมันไปเคลื่อนอยู่ข้างในนั้นตอนที่นอนหลับมันไม่เต็มวิถีของมันเพราะงั้นเวลานอนนะถ้านอนแล้วฝันมากก็แสดงว่านอนนานไป หรือไม่ก็ร่างกายไม่สบายหรือบางทีสิ่งภายนอกเข้ามารบกวนมีได้หลายแบบนะจนสังเกตดูเมื่อเมื่อคืนนี้เหมือนกับว่าวิธีจิตที่เขาไปของเขารอบๆอบของเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเขาเหมือนเขาวิ่งผิดวิถีปกติของเขาอะแล้วเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาเลย เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกมันเห็นอยู่สองครั้งหลังจากนั้นมันก็จะแบบว่าก็จะโวยโอ้โหแบบฟุ้งซ่านมากเลยเรื่อยลอยแบบเนี่ยแล้วมันฟุ้งติดออกมาข้างนอกเลยรู้สึกไหมใช่ค่ะแล้วแบบมันฟุ้งออกมาจนตื่นเลยเนี่ยจนตื่นแล้วก็ยังฟุ้งต่ออยูค่ะก็ดูไปค่ะอ่าพี่ชัยพี่ชัยดีนะวันนี้มันมีโมหะครับก็ช่วงหลังๆพอเห็น กิเลสใช่ไหมฮะก็จะเกิดเอชอบชังหรือว่าเฉยๆใช่ไหมฮะพอ ร, รู้ว่าชอบชังเฉยๆแล้วมันยังมีชอบชังเฉยๆซ้ําซ้อนข้นมาอีกสองสองชั้นสามชั้นเนี่ยดีแล้วเรารู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยๆดีแล้วที่ภาวนานะดีแล้วจิตวกแวกคะ่ะพระอาจมันมันดื้อคะ่ะเอห้ามมันไม่ได้เนี่ย ภาวนาดีนะจิตใจมีเรี่ยวมีแรงและพอมันมีแรงแล้วมันมันเอาเอาแรงไปดิน้นเอาแรงไปสนแต่รู้สึกไหมจิตมีกําลังช่วงนี้ภาวนาดีนะสองคนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงดีหนูรู้สึกว่า เ, เกิดโทสะบ่อยเมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นคนหลงบ่อยแต่ก็ยังหลงบ่อยเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเห็น พอเกิดรู้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเกิดโทสะตามมามบ่อยๆเลยดีนะแต่เดิมเราไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่โทสะรุนแรงมันเป็นความขัดใจความขัดใจเล็กๆความขัดใจจะเกิดเรื่อยๆถ้าเราเห็นได้เราก็ดูไปเราก็เห็นว่าสภาวะทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นความขัดใจจะเกิดถ้ามันไม่ได้ใช่ไหมไล่ก็ไม่ไปดูไปอย่างเงี้ย เขาเวลาพระอาจารย์แนะนำให้ท่องพุทโธอะค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าตั้งใจท่องมันท่องไ ม, ไม่ได้เลยใช่สิค่ะ <c oughs> ภาวนาเนะี่ยต้องทำเล่นไม่ใช่เอาจริงนะ <c oughs> ทำเล่นพุทโธก็พุทโธเล่นเล่นเวลาจะท่องพุทโธต้องนั่งรอเขาท่องเองเนี่ยค่ะได <c oughs> อย่างนั้นได้แต่ว่าเขาต้องขยันท่องหน่อยนะไม่ใช่สามวันท่อง ห, หนึ่งเขาไม่ท่องเลยค่ะพระอาจารย์หนูนั่งรอ ท้องแป๊บเดียวเราก็เลิกไปฟุง้งละเราจะพุโทโธตอนเอาเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าจิตใจเรามีกําลังขึ้นมาแล้วเราคอยดูดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืแต่ถ้าทิ้งพุโทโธไปเลยนะใจไม่มีที่อาศัยธรรมดาจิตต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้สักอันหนึนะ่งเราอาศัยพุโทโธเนี่ยแล้วก็คือเราเอาจิตเป็นเครื่องอยู่นะเราพุโทโธพุโทโธนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตนะั่นเอง เอาจิตเป็นเครื่องอยู่นะไม่ได้เอาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่บางคนเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หายใจไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นนะรู้ทุกอย่างแหละรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้หมดเลยหายใจเป็นแบ็กกราวไว้เป็นเครื่องอยู่้าใจทิ้งลมหายใจหนีไปทำอะไรเนี่ยสติมันเกิดไวแต่ถ้าใจเราไม่มีเครื่องอยู่เลยนี่มันจะร่อนเร่มันร่อนเร่แล้วดูยากเพะนั้นเรามีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่ง ใจมันเคลื่อนไปจากอันนี้เราก็เห็นเคลื่อนไปเห็นแต่เราไม่ได้บังคับใจให้อยู่กับอันนี้เราเพียงแต่มีสิ่งนี้ขึ้นมามีวิหารธรรมอันหนึ่งขึ้นมาล่อและจิตเคลื่อนไปเรารู้เราดูจิตนั่นเองมีตัวนี้เป็นตัวตั้งไว้จิตมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราจะเห็นถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวตั้งไว้นะมันเคลื่อนอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้มันไม่มีการเปรียบเทียบให้ดูอย่าจงใจนะจงใจแล้วจะแน่น ให้ทนเล่นๆอนใจทีหนึ่งเออต้องเห็นนะไม่ใช่อะกลางนะคะจิตมันไม่เป็นกลางมันมันชอบโมโหซ้ำซ้อนอพอมันเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วพอท้ายที่สุดมันก็โกรธแล้วมันก็โกรธตัวไอ้ที่โกรธ อว่าย อ, อย่างโกรธอะไรเงี้ยนั่นแหละเคยมีคนมาถามหลวงพ่อว่าจะเอาจิตไปตั้งที่ไหนตั้งไว้กับปัจจุบันมันมีตัวโกรธเกิดมากี่ตัวก็ตามดูมันไปเราก็จะเห็นเลยว่าทุกตัวเกิดแล้วดับหมดเลยแล้วทุกตัวก็บังคับไม่ได้เยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับมันไม่ได้เยดีมึงดีเป็นโกรธนานหมายความว่ามันโกรธไอตัวที่โกรธฮะมันหงหุดหงิด มันหมดเพื่อเอาโกรธอีกและให้รู้ทันลงไปดูซิว่าใครโกรธไม่มีคนโกรธนะมีแต่ความโกรธเวลาเวลาโกรธเก่งๆนะลองสังเกตดูว่าใครโกรธหลวงพ่อค่ะเหมือนบางทีมันเป็นแวบขึ้นมาบางทีมันเผลอคิดน่ะมันก็เห็นว่าเออไอตัวนี้มันไม่ใช่เราแต่มันไม่ได้เป็นทุกครั้งนานๆมันจะเป็นทีออย่่างดีคะบางคนเห็นทีเดียวก็ขาดเลยก็มีนะ เคยมีคนหนึ so, really, oh, oh. okay. ่งภาวนาดูจิตใจเนี่ยดูไปด้วยดูดูดูก็เห็นแต่มันเกิดดับนะไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลยไม่ได้มองในมุมนั้นเลยเห็นแต่ว่ามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปแต่เวลาใจมันเข้าถึงธรรมมันไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอ่ะคนนี้สั้นๆนะมันกล่าวไปเตรียมเตรียมาถามเลยครับก็คือครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าเรื่องให้ไปดูจิตครับ แล้วคราวนี้ก็คือเผลอรู้ไหมว่าเผลอไปคิดอะไรเงี้ยครับรู้ดีใจรู้เสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันไม่ไปไม่เป็นครับก็เลยไปเปิดทางเอกแล้วก็ไปเจอในส่วนของอที่เป็นนิวรนป่ับ็คบืที่ใช้นิวรน แล้วก็คื อ, อพอดูแล้วก็เหมือนว่าผมเคยทํามาโดยที่ก็ไม่รู้ว่ า, วามันคือสติปัฏฐานคือผมตั้งแต่รู้สึกว่าเอ้ยโลกมันมันไม่ค่อยน่าสูงสิงด้วยก็ไปเปิดพระไตรปิฎกแล้วก็ไปเจอคําว่าพยาบาทคือในนั้นมีศัพท์เทคนิคมากมายไม่ค่อยรู้เรื่องแต่รู้ว่าคําว่าพยาบาทเนี่ยมันแปลชัดบอกปฎถนาที่จะเห็นความชิพหายในหมูส่สัตว์เคํานี้ดีแล้วก็เลยก็เลยพอมันมีพยาบาทเกิดขึ้นแล้ ว, วเอ้ยนี่ไงพยาบาทเรารู้จักกันลักษณะเนี้ครับ ผมก็ทำได้โดยที่ไม่ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่ามันมันคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้ทำสติปัฏฐานได้ก็ก็ลักษณะนะครับก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าไปแต้มนี้ได้ไหมครับได้คือถ้าเรารพยาบาทบ่อยนะเราเอาพยาบาทมาทำกรรมฐานครับจิตมันจะมีสองชนิดจิตขณะนี้พยาบาทอีกดวงหนึ่งเป็นจิตที่ไม่พยาบาทจิตมี2 อ, อย่างดูออกไหมพยาบาทไม่ได้อยู่ตลอด เราจะดูไปเราพยายาบาทตัวพยาบาตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอกุศลตัวที่ไม่ได้พยาบาทเนี่ยนะเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลครับเราก็จะเห็นเลเดี๋ยวจิตก็พยาามบาตเดี๋ยวจิตไม่พยายามบาตรล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยครับ<อ>แล้วคู่เดียวก็พอแล้วตัวอื่นๆ น, นะครับตัว อ, อื่นมันเห็นเองแหละอ่ามาผมคือผมไม่เข้าใจความหมายมันยังอุท ธ, ธ, ธ, ธจักกุจจั วิจิกิจฉา<ม>การมาสัมภาษณ์อะไเราเราเราจะเจออะไรเพื่อที่บอกว่าเอ้ยตัวนี้คือตัวนี้เราไม่ต้องเราสรับภาษาแขกเลยครับนะความรู้สึกของเราเป็นไงรู้เป็นอย่างนั้นไปนเลย <c oughs> เช่นเราสงสัยขึ้นมาเรารู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปรู้ว่าแขกเรียกว่าวิจฤกิจฉาเย <c oughs> ไม่จะเป็นออืแล้วภาษาไทยแหละครับภาษามันเป็นกอสมมุติไม่สําคัญอะไรแล้วคือแล้วถ้าเกิดมันพ้นจากนี้หมายว่าอา่ายัง อย่างสมมติว่ามันคือคือในในนั้นก็อ่านว่าอารมณ์ของสมถะสมถ ะ, ะเนี่ยไปกดนิวรณ์ไว้ฮะแล้วคราวนี้ที่ที่จะถามหลวงพ่อคือว่าเ อ, อนอกจากจิตที่ถูกกดนิวรณ์ไว้กับจิตที่มีนิวรณ์อยู่มันมีอย่างอื่นให้ออฟเสิร์ฟไหมครับมีการหนึ่งไงจิตที่รู้นิวรณ์จิตที่รู้นิวน<อ>รณ์ น, นนะ<อ>เห็นเห็นพยาบาทอยู่แต่จิตรู้เฉยเฉยไม่ไปทําอะไรกับนิวรณ์ ตัวนี้นะ่ะคือจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาจิตที่ไปกดนิวร์เนี่ยเป็นจิตที่ใช้ทำสมถ ะ, ะจิตที่มีนิวรณเนี่ยเป็นอากูสุรจิตครับนะแล้วอย่างาสมมติว่าคนคนหนึ่งพัฒนาตัวเองไปแล้วสมมติว่าเป็นพระอริยะชั้นหลังแล้วเ้าจะเหลือนิวรณมาให้ทำวิปัสสนาอยมมันก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นสิเราจะทำ เอาไว้วันนั้นค่อยมาถามแล้ว น, นะครับถ้านาคาแล้วไม่มีนิวรณ์ให้ให้ดูแล้วเล่ว <laughs> เอาจริงๆงั้นผมสงสัยจริงว่าแล้วแล้วในในตอนนั้นเนี่ยคือเขาจะทําอะไรครับเขาก็ดูอย่างอื่นไปสิดูจิตที่เป็นกุศลก็ได้ออจิตที่เป็นกุศลก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกับจิตอกุศลแหละอืมคื อ, อยังไงก็ต้องดูกายดูใจอื ม, อม แล้วคราวนี้เห็นพูดถึงวิหารธรรมเมื่อกี้คือเหมือนกับเป็นตัวตัวสมมุติตั้งไว้ตรงนี้แล้วดูจากการเบี่ยงเบนคราวนี้ผมก็เลยมีมีอารมณ์แบบหนึง่งครับซึ่งมันเป็นผมก็ไม่รู้เรื่องถูกมันเหมือนเป็นอุเบกขาจะถามหลวงพ่อว่ามันใช้เป็นวิหารธรรมได้ไหมคือมันเหมือนเป็นอุเบกขาจากการที่เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเกิดจากองค์ประกอบอครับทั้งตัวตัวเราใจเราและตามเหมือนกับว่ามันเกิดจากองค์ประกอบพอความความคิดตรงนั้นมันขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนเราไม่มีส่วนเอี่ยวคือเหมือนเราเราไม่เอี่ยวจะทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่เอี่ยวตรงนั้นใช้เป็นวิหารทําได้ไหมครับไม่ดีเพราะว่ามันจะไปข่มการตามรู้หมดเลยเพราะว่าอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ดูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะกิเลสหายหมดเลยอืมมันมันคือการทําสมถะอ๋อแต่ว่าไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับเหมือนกับเดินขับรถไปเฉยๆเนี่ยวิสมถะไม่เลือกอารมณ์ไงอ๋อคิดเอาอันนั้นคือสมถะเอออืาคิดแล้วข่มกิเลสลงได้ แล้วคราวนี้คือแล้วจะเอาอะไรเป็นวิหารดีครับ<ะ>เอาอะไรเป็นวิหารดีครับใจของคุณมันฟุง้ง<ะ>นะรู้ลมหายใจไปก็ได้นะรู้เล่นๆ น, นะอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนั่งดูเหมือนเห็นคนอื่นหายใจไปทั้งวันแล้วพอใจเราหนีไปใจเราลืมรู้ว่าร่างกายนี้หายใจอยู่นะก็ให้รู้ทันว่าหลงไปละเผลอไปละนะหายใจไปสักพักหนึ่งเราขี้มโมโหเนี่ยเราจะลำแขาญให้รู้ว่าลำแขวนนะ มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่จิต ด, ดิ้นมากๆากอ้าวคุณโมลชะตากรรมมาถึงแล้วหลวงพ่อขะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมันมันคงดิ้นมาจนเหนื่อยมันก็เลยอะไรนะไม่ได้ยินอาทิตย์ที่ผ่านยกยกมามันคงมันคงดิ้นจนเหนื่อยอ่ะค่ะหลวงพ่ อ, อมันก็เลยเฉยเฉยดูดูมันไปอย่างนั้นอะค่ะก็รู้สึกสบายขึ้น<ด>นะคะดีวันเนี้ยภาวนาดีแต่ว่าวันนี้กายมันคงง่วงมั้งคะหลวงพ่อ ใจมันดีก็แล้ว ก, กันน่ะกายมันก็ทุพพลภาพด้วยความชราลงทุกวันทุกวันนะมันห้ามไม่ได้เนี่ยวันใี้หลวงพ่อ่ว ย, ยืนยันว่าใจอย่างหนึ่งใจใจได้ใจใจได้ไม่ค่อยใจสบายไม่ค่อยดิ้นเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ใไหอไม่ค่อยงกเท่าไหร่อแต่เริ่มเกร็งละะเริ่มเพี้ยนละรู้สึกไหม <c oughs> ใจที่ดีๆเริ่มเพียนออกไปจาก ที่ควรจะเป็นพอมาที่หลวงพ่อแล้วมันจะมีความงกความอยากทําได้อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนกว่ามันหมดแรงอีกมันก็จะยอมอีกใจนะมันดิ้นไปหิวโหยดิ้นลนไปดิ้นดิ้นพอเหนื่อยหมดแรงแล้วก็ค่อยยอมเรียบร้อยหน่อยอช่วยเป็นได้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละมันไม่คุยแล้วค่ะหลวเดี๋ยวมันดิ้นอีกใช่เดี๋ยวเสียหมดเมื่อกี้กำลังดีอยู่ขอบคุณอ้าวคุณวุฒิคุณวุฒิก็เข้าท่าวันนี้ รู้สึกจิตมันไม่ค่อยมีแรงจิตมันฟุ้งมัแล้วรู้ตรงความเป็นจริงแล้วใจไม่ดิ้นรู้สึกไหมตรงที่หลวงพ่อชมมาดีเนี่ยก็คือเรารู้ว่าฟุ้งซ่านโดยที่เราไม่ไปปฏิเสธมันมันรู้เฉยเฉยรู้สึกไหมมันเป็นกลางมันเั่นแหละที่ว่าวันนี้ภาวนาดีก็คือมันเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านดูออกไหมดูอกนั่นแหละดีดูจิตมันเหมือนกระจายกระจายเอมันกระจายมันฟุ้งไปนะแต่ใจเราเนี่ย ไม่ได้คิดจะไปทําอะไรมันนั่นแหละ ด, ดีวันนี้เลยภาวนาดีเห็นไหมมีกิเลสยังภาวนาดีได้นะหลวงพ่อวันก่อนเดินจงกรมเนี่ยช่วงสิบห้าทีแรกเนี่ยจะรู้กายรู้ใจดีมากเลยนะฮะที่พอผ่านไปปุ๊บอยู่ที่มันมันไม่รู้ขึ้นมาเลยมันเหมือนมีโมหะมาครอบแล้วก็ดูไม่ออกเออแล้วก็เลิกเดินหันไปทําอย่างอื่นอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราจงใจไปดูใช่ไหมเป็นอยู่ที่โมหะมันมาครอบ ไ, ได้ใช่ไหะ เรียกตกท้องช้างเดินเดินแล้วตกท้องช้างหมดสติหมดเรื่องหมดแรงเป็นเพราะว่าอยากทําสมถะหรือเปล่าอะไรนะเป็นเพราะว่าจิตมไม่ดไมด้จิตเป็นขี้เกียจขึ้นเลยอ๋ออยู่ดีๆจิตเป็นขี้เกียจขี้คลานขึ้นเลยก็คือเลิกเดินไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์ซะงั้นเดินบางทีนะอย่างทางจงกลมเนี่ยเราต้องมีระยะที่พอเหมาะของตัวเองนะระยะอย่างทางจงกลมสั้นไปเนี่ยเวียนหัว ก้นเกินไปเดินแล้วเวียนหัวง่ายยาวเกินไปนะฉิตตกท้องช้างง่ายเดินไปครึ่งทางใจลอยไปแล้วหายไปเลยไปโพลอยอีกทีตอนปลายทางอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่หลวงพ่อนะพัฒนาการเดินจงกรมไปเยอะเลยไม่ชอบเดินนะแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยยังอยู่ในห้องแคบๆนะหลวงพ่อเดินเป็นเลขแปดนะเลขแปดฝรั่งนะไม่มีเวียนหัวเข้าใจไหมถ้าเราเดินไปสามเก้าก็กลับทีหนึ่ง กับทีหนึ่งอย่างเนี้ยปเดี๋ยวเดียวก็ลงไปนอนลอะมืนตายเลยตอนที่แคบๆหลวงพ่อเดินเป็นเลขแปดเดินเท่าไหร่ก็ไม่เวียนนะมันจะแก้กันทุกครั้งไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีหลวงปู่สิมท่านก็เคยบอกตอนนั้นไปนั่งอยู่ฟังท่านเทศอยู่ท่านก็บอกให้เดินจงกรมไว้นะอย่างเงี้ยอย่าขี้เกียจนะมีผู้หญิงคนนึงบอก ที่ห้องนอนดิฉันเข้าของเยอะค่ะเดินแล้วต้องไปเหยียบมันแน่เลย <c oughs> ถ้ามาเอาของไปแจกซะ บ, บ้างมันเสียได้แจกไม่ได้นะเดี๋ยวแจกแล้วก็ต้องรีบไปซื้อมาอีกไม่มีที่จะเดินแล้วแต่ว่าชอบหมดเลยไม่ได้งกนะแต่ว่าถ้าแจกก็ได้แต่ต้องไปซื้อมาอีกท่าบอกถ้าเดินไม่ได้นะให้อยูเอ่เนาคือผู้หญิงคนนี้แกชอบเล่า ว, ว่าแกนั่งสมาธิแล้วก็หลับ หลวงปู่เลยบอกให้เดินแกบอกแกเดินไม่ได้บ้านจะของเยอะท่าอกเอาไปแจกมั่งถอดแจกก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไปซื้อมาอีกท่านบอกให้ยืนถ้าเดินไม่ได้ให้ยืนยืนแล้วถึงมันจะหลับนะมันก็หลับไม่นานว่าไงคนนี้เคยภาวนาไหมก็พยายามฝึกอยู่ครับไปเรียนมาจากไหนเอ่อก็อ่าน หลังๆนี้ก็อ่านจากของหลวงพ่อแล้วก็พยายามดูกายดูใจตัวเองครับจริงๆก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะฝึกให้ได้ที่ว่าพยายามปฏิบัติกรมกืนกับชีวิตแต่มันโดนบั่นทอนด้วยความเผลอความเบือเบ่อความขี้เกียจอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับจะแก้ไขยังไงดีครับไ อ, อ้ความเผลอความเบื่อความขี้เกียจนั้นก็บั่นทอนทุกคนแหละนะแ้วมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าไม่สามารถเออจใจจริงก็อยากจะ เหมือนกันที่หลวงพ่อเคยเขียนไว้ครับควรจะฝึกให้ได้ตลอดเป็นกมกลืนกับชีวิตไม่ใช่ว่าเวลานี้ฝึกเวลานี้ไม่ฝึกแต่มันก็ร่นมมันค<พ>อนผึ่งลงในชีวิตได้เราต้องรู้หลักของการปฏิบัตินะจนกระทั่งหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยจนสติมันเกิดเองในชีวิตประจําวันงั้นเราเริ่มต้นเนี่ยเราหัดสังเกตสภาวะธรรมคือสังเกตความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆ สังเกตความรู้สึกของเราแต่ละขนาแต่ละขนาไม่เหมือนกันนะคือจุดตั้งต้นเนี่ยอย่าไปภาวนาเพื่อให้ดีให้สุขให้สงบแต่ภาวนาเพื่อหัดสังเกตสภาวะตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะหัดเรียนรู้จิตใจตัวเองนะจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตใจสงบเราก็รู้เราค่อยรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้เอาดีนะไม่ได้เอาอะไรหรอกแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยมันต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติไว้สักอันหนึง่ง เราจะหัดพุดโทโธก็ได้หัดเดินจงกรมก็ได้หรือจะดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขยับมืออย่างสายลวงพ่อเทียนก็ได้มีอยู่14จังหวะขยับมือพอเราทำกรรมฐานขึ้นมานหนึ่งแล้วนี่ให้เราคอยรู้ทันใจของเราอย่างเช่นเราพุโทโธพุโทโธอยู่ใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่ามันหนีไปแล้ว รเราพุโทโธพุโทโธอยู่ใจเราฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านใจสงบหรือว่าสงบพุโทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหัดไปเรื่อยๆอย่างเนี้เราถึงจะเจริญสติในชีวิตประจําวันไดนะ้การที่เราหัดดูจิตใจตัวเองนะพุโทโธเราก็ดูไปนะี่หลงไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลแต่ละอย่างก็รู้จิตมันจะจําสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้ พอมันจำสภาวะแต่และอย่างได้แล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยสภาวะที่เราจำได้แล้วเกิดขึ้นสติจะระลึกขึ้นเองไม่ต้องเจตนาระลึกพอสติระลึกได้เองเนี่ยถ้าเป็นอกุศลนนะั้นมันจะขาดสะบั้นต่อหน้า ต, ต่อตาเลยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างตั้งมั่นขึ้นมาเลยทําไมมันอยู่ๆมันดีฉับพลันเพราะโดยธรรมดานั้นจิตมันดีอยู่แล้วจิตมันมีธรรมชาติพื้นเดิมของมันคือมันผ่องใสมันประพัดสอน แต่ว่ามันมองไปมันเศร้ามองไปเพราะกิเลสตัางหากนี่ถ้าเรารู้ทันกิเลสไหลแแบบมาสติระลึกได้นะจิตจะผ่องใสอัตโนมัติเนยสงบสะสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาฉับพลันเลยนเราก็จะสามารถอยู่กับโรคนะอย่างคนที่รู้ทันโลกถูกโลกกัดน้อยลงน้อยลงนะแต่อย่าไปกัดกับโลกนะเออคนคอยดูเอาตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหม นี่ลูกสิษย์ลูกศิษย์แล้วเปล่าต้อมเนี่ยมาด้วยกันปะไม่ได้มากับกลุ่มบานาน่าอะไรนี่ใช่ไหมมากัดใครมากันด้วยมาด้วยกันครับเอามากันสองคนห้าคนเหรอไหนคนไหนอีกเตรียมอาหารกันโลครับเราเตรียมอาหารครับฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะครับต้องตั้งใจนะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อย มันคือการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองหลวงพ่อจะบอกให้หลวงพ่อเองตอนอยู่กับโลกหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นรองใครหรอกอยู่ในโลกก็มีความสุขแต่เราพบว่าความสุขของโลกนี้นะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลย้าเราภาวนาเป็นนี่เรารู้เลยว่าโลกนี้ไม่ได้เรื่องโลกนี้จืดชืดนี่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้ภาวนานะั้นเราเสียโอกาสร้ายแรงที่สุดในชีวิต แต่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นทั้งชาติเราไม่รู้สึกอย่างนี้หรอกเราก็รู้สึกว่าเราโอกาสดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นการลงทุนให้ชีวิตตัวเองนะค่อยๆเรียนธรรมะไปถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกจิตใจเกิดสติขึ้นมานะเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาจะรู้เลยว่าศาสนาพุทธไม่มีประโยชน์มหาศาลเลยเราสามารถอยู่กับโลกโดยที่ไม่ทุกข์อ่ะคนนึ่นเขาทุกข์ปางตายเราไม่ทุกข์อ่ะ เรามีแต่ความสุขนะเราก็เห็นคนอื่นทุกข์ดิ้นกระด๊อกกระแดกไปนะสงสารนะแต่ว่าอุเบกขาก็มีนะออสงสารแต่ไม่อุ้มหรอกคนเรามันรักดีมันต้องช่วยตัวเองให้หลวงพ่ออุ้มไม่อุ้มหรอกนะมันต้องดูเป็นคนๆบางคนทุบได้บางคนทุบไม่ได้บางคนเหมือนดินเหนียวนะดินเหนียวเปียกน้ำนี่ทุบได้ทุบไงก็ได้บางคนเหมือนทรายร่วนๆทุบไม่ได้ทุบแล้วแตกเลย อย่างในต้อมนี้เหมือนดินหลงพ่อทั้งเหยียบทั้งย่ำทั้งกระทืบนะไม่ใช่นวดด้วยมือนะบางทีนวดด้วยเท้าด้วยนะใช้ส้นเท้าคลึงนะมีหลายแบบมันทนอนะ่ะมันทนได้คนทนได้มันก็จะได้หลักได้แก่นใช่ไหมบางคนนะัต้องโออยู่นั่นแหละโอ้โอนะออมาถามภาวนาดีไหมดีแล้วทำต่อไปหน้าอะไรเงี้ยถ้าพูดประโยคนี้นะแสดงว่ายังไม่ได้เรื่องนะเนี่ยเป็นซิกแนว อ้าวเชิญกลับบ้านเอยไม่ใช่เชิญไปทานข้าวเนี่ยใจหลวงพ่อได้อยากให้มันกลับบ้านให้หมดนะไม่ได้อยากเจอเลยนะไปเชิญเชิญนินมนต์ครับนิมนต์